بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا ل ش ر ف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب ا وبإسلام ا ل دينا وبمحمد رسوله ر ับบ ر ช ي ฮ์ริซัดริวยาซริอัมลิวะฮ์ลุนอัคดะต์มิล قه قوله อั ل ลอฮุมะอิ اسأ ล ك ا ع ل م ا نافعاً و ر ز ق ا ط ي ب ا و ع م ل ا متقبلا يا رب العالميناللهم ف ك ه في الدين وعلمه تأوينالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาละประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรานทุกๆ ท, ท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานวตาลที่พระองค์ยังให้เราได้มีลมหายใจได้มีชีวิตในการที่จะ ขวนขวายเตรียมสเสบียงแล้วก็เตรียมพร้อมวันที่เรากลับไปหาอัลลอสุบฮะฮาหัวตาละซึ่งแน่นอนการที่เราศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะการเรียนกุรอานเนี่ยเรากำลังแสวงหาทางนำที่ถูกต้องอยู่ เพราะที่มาของอิสลามก็คือจากกุรานและก็ฮะดีของท่านรอสรลูลสุลลาฮฺวะไลอุสันลัมวันนี้เราอยู่ในสุร้ออัลอันอามอัลอันอามสุร้อที่6ยอุสที่8อายะที่120อายะที่หนึี่สิบ ขึ้นต <ourselves> <gra knight and SC> ้นอายะห์วะรูซาฮิร์ลิษมีวะบาตีนะเจอนะวะรูซาฮิร์ลิษมีวะบาตีนะอินนัลละดีนัยักษีบูนลอิษมอ่าตรงนี้นะอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบอ่าเดี๋ยวฉันจะเริ่มแล้วนะฟาติฮะเลยนะอืม أعوذ <c oughs> ب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ได้ได้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 อียังกระนั้บุญว่าอียังกระนั้นสตางค์อินอินดีนอสิรัตอัลมุสตัีสิรตอัลทันนตอัลห์ม غير المغضوب عليهم ولا الضالين. อาเ ا นอ้างอุทธรณ์ وَذَرُواهِ ظ ا ر َ ا ل ْ إ ِ ث ْ م ِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإثْمَ ِ س َ ي ُ ج َ ز َ و ْ ن َ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ นะอานทำดนะมาดูความหมายนะครับในหนังสือตัปซีนอักัซีดเนี่ยเขาจะแยกบางทีก็อายะเดียวแล้วแปลบางทีสามอายะแปลบางทีสี่อายะแปลเขาจะแปลตามหมวดนะครับเป็นเรื่องเรื่องอ่าเป็นเรื่องเรื่องนะอันนี้เขาหนึ่งอายะแล้วเขาแปลเลยแล้วก็เชิญร้เลยอัลลอฮฺบอกว่าวะรูซฮิร์อิสมีวะบาวบาตนะและพวกเจ้าจงละทิ้ง ละทิ้งและทิ้งอะไร is is แปลว่าบาปให้ทิ้งบาปทิ้งการการะทำที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งที่ is zohiro zohiro แปลว่า z o h i แปลว่ า, วาชัดเจนเลยเปิดเผยเลยแล้วก็ว่าบาตินะบาตินะแปลว่าปกปิด อปกปิดอินันลเดีแท้จริงบรรดาผู้ที่อซยีบูหน้าแปลว่าอะไรขวนขวายขวนขวายในการกระทำอิมในการทำบาปเนี่ยหรือทำผิดเนี่ยนะยุจยะซานบิมากกนูยากอตริฟูนพวกเขาจะได้รับการ ต, อ บ, ตอบแทนตามที่พวกเขานั้นได้กระทำมาไว้ ตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นบาปที่เห็นชัดเจนเลยคนคนหนึง่งนั่งอยู่ปากซอยกงเหล้าสมมุติเป็นมุสลิมนั่งดื่มเบียร์อยู่ไม่ได้เกงใจใครเลยตัมงตัยมัม่มเดินผ่านมันทักด้วยชวนมาร่วมกงด้วยกับอีกคนหนึ่งไปดื่มเหล้าในบ้านล็อกประตูอย่างดีเลย คำถามว่าเป็นบาปเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่ได้หมายความว่ากินในบ้านแล้วไม่บาปเพราะไม่มีใครเห็นนี่อะไรไม่บาปแต่ถ้ากินแล้วคนเห็นถึงจะบาปไม่ใช่กฎหมายเนี่ยเป็นอย่างนั้นอ่าวาเลกมุสลามกฎหมายเป็นอย่างนั้นถ้ากินเหล้าและไม่ถูกเป่าก็ไม่โดนกำเคินคดีอ่าเห็นไหมแต่ถ้ากินอยู่ในบ้านไม่เป็นไรแต่กินแล้วมาขับรถถึงจะโดน แต่ฮิซลามนี่ไม่เกี่ยวคุณจะขับรถไม่ขับรถจะกินในบ้านกินคนเดียวกินในห้องจะเปิดเผยหรือซ่อนเร้นจะโพสต์เฟซหรือไม่โพสต์ถือว่าอัลลอฮ์เอาโทษทั้งหมดมุจาฮิตได้อธิบายว่าคนชั่วที่ปกปิดความชั่วและคนชั่วที่ทําเรื่องชั่วแบบเปิดเผยอัลลอฮ์ Allah ลงโทษเหมือนกันเหมือนกันการลงโทษน่ยเหมือนกันนะ แต่พอสองคนนี้จะกลับเนื้อกับตัวการกลับตัวของคนที่ทำบาปแบบปิดจะได้รับการเตาบัตรไว่กว่าเร็วกว่ า, เ, ววาเอาทำไมอะ่ะเพราะการที่คนคนหนึ่งทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยเท่ากับกรรมการไปสร้างพยานให้เพิ่มขึ้นพยานเนียว โ, โหบารนาเลยเต็ไมไปหมดเลยกับอีกคนหนึ่งแทบจะไม่มีพยานเขาขอกอลับรถและจบเลย และในมุมคนคนทําผิดที่เป็นคนชั่วแบบเปิดเผยเนี่ยมนุษย์จะมองจะมองแตกต่างกันจริงไหมสมมุติไอ้คนเนี่ยเป็นที่รู้กันมันเป็นขี้ยามันติดยาคนรู้ทางมุกเก็มมันเลิกยาแล้วเนี่ยบางทีบางคนก็ยังไม่รู้หรอกคิดวงายังติดยาอยู่แต่สมมติมันไปแอบดูยาไม่มีใครรู้ทางมุกเก็มเลยมันเลิกของมันคนเดียวทั้งทั้งคนในมุกเก็มก็ยังมองมันเป็นคนดีอยู่เพราะอะไรเพราะไม่มีใครรู้อัลลอฮ์รู้เท่านั้นมันขอกัลอัลลอฮ์จบเลย กำลังนาเรียนกับพี่น้องว่าเมื่อเอาล่อลงโทษเนี่ยเหมือนกันแต่พอเวลาจะเตาบัดตัวหรือจะขอกับเนื้อกับตัวเนี่ยคนที่ทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าเพราะมันจะมีพยานเยอะนะแต่ลงโทษนะลงโทษเหมือนกันนะถ้าไม่เตาบัดตัวไม่กับเนื้อกับตัวเหมือนกัน <c oughs> ในอายะคุรอานหนึ่งอลัลลอ์บอกว่า กุลอินนามะฮะ ร, มร์มะรับรับบียัลฟวาวะฮิชมามะจ اه ระมินห่าวามาบาตันจงกล่าวถ อ, องมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งที่พระพุทธบาลของฉันทรงห้ามนั้นก็คือสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยอัลลอฮ์บอกต่อว่าอินนัลเลดีนายักซีบูแท้จริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายในการกระทําบาปอยู่นั้นเนี่ย บางคนบอกว่าเอออาจารย์ทำบาปเนี่ยมันต้องใช้คำว่าขนขวายเลยต้องขนขวายนะ่ะอยู่ดีๆเนี่ยทำไม่ได้นะเช่นคุณจะไปกินเหล้าจะไปติดยาเนี่ยมันต้องออกไปซื้อออกไปหาหาแหาล่งอ่าคุณจะไปดูอะไรที่มันเป็นบาป ย, ยากมากที่บาปมันจะวิ่งมาใส่ตัวแบบอยู่เฉยอ่ะส่วนใหญ่ต้องออกไปหามันไปเสา ะ, ะแสวงหายิ่งบาปที่ถูกปิดเอาไว้ด้วยอย่างเมืองไทยเราเนี่ยแทบจะไม่ต้อง ไม่ต้องไปหาเยอะเพราะอะไรออกไปปากซอยก็เจอเล้วคนขายายาก็เยอะอ่าซีนาก็การเกิดไปหมดแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศมุสลิมนี่โอ้โหถ้าจะทําบาปนี่ยากนะเพราะว่าเพราะไม่รู้จะไปหาที่ไหนอ่ามันต่างกันดังนั้นอลัลลอฮ์จึงบอกว่า <c oughs> คนที่ทํำบาปเนี่ยเขาขวนขวายเนี่ยเขาขวนขวายที่จะทําบาป ไซยุสยะเจ้จาเนบีมาการูเอียกอตารีฟูนพวกเขาจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเขาได้กระทําเอาไว้อิบนูอับีฮาติมได้ไรายงานจากอันนวาสอิบนูซามานถามฉันได้ถามท่านรอซูนสลาลลฮฮวยและฮิวซัลลัลมเกี่ยวกับบาปท่านตอบว่าบาปคืออะไรนะ สมมติเราจะมีคนถามาบาปคืออะไรอาจารย์ในอิสลามเนี่ยบาปคืออะไรเออดีไหมเราจะได้รู้ว่าบาปคืออะไรบาปก็คืออัลิสมุมาฮะกะฟีซอดริกะบาปก็คือสิ่งที่ตะขิดตะขวงใจอยู่ในหัวอกของท่านเมื่อไปกระทำไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายใจเลยอ่าบางคนไปลัน่นสมมติ ด, ด่าใครไปสักคนหนึ่ง บางทีนอนไม่หลับเลยนะมันติดอยู่ในหัวไอ้คนโดนด่าก็ก็ระรับผลไปด้วยไอ้คนด่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอุสาอะไรบางทีเขาไปนั่งคิดแล้วโอ้โหไม่น่าทําไปเลยมันเป็นบาปอะไป็ขอไม่ดีนะเขาจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจในการที่เขาทําลงไปไม่สบายใจคนบริจาค ก, กับคนขโมยเนี่ยรู้สึกต่างกันไหมต่างกัน เดินไปบริจาคนี่สบายใจอิ่มอกอิ่มใจแต่ไปงัดตูดสุราแล้วก็ไม่รู้ใครจะเห็นมัน่งโผล่ซ้อนๆกลับมาแล้วไม่รู้ใครจะตามมาหรือเปล่ามีใครเห็นไหมใครเปิดกล้องดูไหมมันไม่สบายใจหรอกพวกโจรพวกขโมยเนี่ยอยู่แบบระมัดอยู่แบบตะขิดตะห่วงใจไม่รู้ว่าจะโดนรวบเมื่อไหร่ว่าการีแต่ไอยัตติอันนาสุอาเล่เละไอการกระทําเนี้ยมักจะไม่ชอบให้คนมาเห็นต้องแอบจริงไหม จะไปทําสีนาเนี่ยมีใครจะจูงไปเผยแต่ว่า น, นิก้าเนี่เชิญกันหมดเลยนะอ่าดังนั้นของหาล้านเนี่ยมันไม่ต้องไปแอบใครทําได้เลยแต่ของฮารอมต้องแอบทีนี้มันก็มีบางคนนะทำของฮาร้านให้แอบ <c oughs> ซึ่งแน่นอนอันเนี้ยไม่ถูกทำไมไม่ถูกล่ะเพราะมันเป็นโกหกไงเรื่องของเรื่องคือโกหกไปโกหกคนนะมันก็เลยต้องไปแอบแตะขิดตะขวงใจทั้งใครจะรู้มัง้งเชิญก็ต้องแบบเป็นความลับห้ามบอกใคร นะอันนี้ของฮาลานแต่ทําให้เป็นเหมือนกับของที่ไม่ถูกต้องแต่เหตุที่มันไม่ถูกต้องเพรา ะ, ปร ะ, เ, ราะเป็นการโกหกไงนะคุณไปโกหกเพราะเมื่อโกหกปั๊บก็เลยไม่อยากให้ใครรู้ดังนะนั้นของดีต้องทําให้ต้องไม่อายใครที่จะทานะเป็นเรื่องที่ฮาลานไม่ต้องไปไม่ต้องไปอายใครเพราะว่าอะไรเพราะเราทําสิ่งที่ฮาลานสิ่งที่อนุมัติแต่ครใดที่ทําของฮารอมมันจะรู้สึกไม่สบายใจและก็ไม่อยากให้ใครเห็นนะครับ อ่ะนี่ก็คือเรื่องของบาปที่นบีตอบชัดเจนเลยนะอ่านต่อนะครับอายะที่ร้อยยี่สิบเอ็ด ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لا فسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ل َ يُحُونَ و إلَى ِ أ َ و ْ ل ِ ي َ ا ئ ِ ه ِ م ْ لِيُجَادِلُكُمْ و ว่าอิُอัตต م ِْุ ن َอ ك ُ م ْกุมُ ش มِุ ك ُก <ون> ن َ ن <ون> มาดูความหมายนะครับเวลาตะกุลูยา <c oughs> และเจ้าจงยาบริโภคตรงนี้ก็หมายถึงอย่ากิน อย่ากินสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์มิได้ถูกกล่าวบนมันอ่าตรงนี้จะรวมถึงสองเรื่องหนึ่งก็คือสัตว์ที่ถูกเชื่อดโดยที่ไม่ใช่คนมุสลิมนะอันที่สองแน่นอนคนไม่ใช่มุสลิมเขาไม่กล่าวอยู่แล้วอันที่สองก็คือสัตว์ที่ตายเองพอสัตว์ตายเองเนี่ยไงไปเชื้อมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันตายไปแล้วเพราะการที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อเพื่อให้มันให้มันตาย นะวลาดะคุลูมิมมาลัมยุธการิสมุลลอฮีอัยไลและพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พนามสิ่งที่พนามของอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกกล่าวบนมันอินนาฮูละฟิสกะแท้จริงมันเป็นการละเมิดอย่างแน่นอนนะ อายะนี้ได้ถูกนําไปอ้างเป็นหลักฐานว่าแท้จริงสัตว์ที่ถูกเชื่อ น, นั้นไม่เป็นที่อนุมัติหากมิได้กล่าวพระนามขอลอซึ่งครั้งที่แล้วฉันบอกไปแล้วว่าท่าลืมไม่เป็นไรท่าลืมไม่เป็นไรแต่เชื่อนต้องเป็นมุสลิมแต่ท่าลืมไม่เป็นไรให้อภัยให้อภัยเพราะลืมเอาลอไม่เอาโทษเรื่องของเรื่องเน่ะคือการที่เอาลอจะเอาโทษใครไม่เอาโทษใครเนี่ยดูที่เจตนาด้วยอะไรที่เป็นวาญิบ ที่ศาสนากําหนดขั้นวาญิบแล้วก็ลืมอลัลลอฮ์จะไม่ไม่เอาโทษแต่ถ้าเจตนาทิ้งนั่นแหละถึงจะมีโทษถ้าเป็นวาญิบนะถ้าเป็นสุนัตแตเจตนาหรือไม่เจตนาอาลัลลอฮ์ไม่เอาโทษถ้าทําได้บุญทิ้งไม่บาปอาญานี้ได้ถูกนําไปอ้างว่าสัตว์ที่ไม่ได้กล่าวนามของอลัลลอฮ์ขณะที่เชื่อมันเนี่ยถึงแม้คนเชื่อเนี่ยจะเป็นมุสลิมก็ตามแต่เขา เจตนาไม่กาวอันนี้เขาบอกว่าใช้ไม่ได้เขาบอกต่อว่าในรับสิทธิ์บอกว่าอายะกุรานที่อัลลอฮ์พูดถึงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ฟักูลูมิ ม, มาอัมซักน า, ายและอกลุ่มวัซกูรุสมัลโลฮิยาลายและจงบริโภคสิ่งที่มันจับมาสมัยก่อนเขาใช้ไม่ว่าจะเป็นนกจับสัตว์มาจับกระต่ายมาหรือจะใช้สุนัข ในการล่าสัตว์ซึ่งเคยสอนไปเล้วก่อนหน้านี้นะแต่ก่อนที่จะมันจะจับมาเนี่ยเขากล่าวพระนามขอเลาะ ก, ก่อนนะถ้ามันตายไปเล้วนะถือว่ากล่าวไปแล้วตอนปล่อยแต่ถ้ายังจับมาเป็นเป็นก็เอามาเชื้อนะต่อมาเอาลเลาะบอกว่า ว, ا أ ه, ว่า إذا أرسل القطار นี่นี่ฮะกว่าว่า إذا أرسل ตะเคลบัคม علم ม علم เมื่อท่านปล่อยสุนัขที่ฝึกเอาไว้ออกไปว่ะกระเตออิสมาล่ะอย่าอะไรให้กล่าวบิสมิลลาพนามขอรอดแลนะขณะปล่อยไปนะแล้วมันจับมาก็ฐานได้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของการล่าสัตว์นะแม้กระทั่งกระดูกนะ เวลาที death, seafood, plant, tempted, there, ่เชื้อดเนี่ยกระดูกแม้ว่าบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าจะซื้อกระดูกมาต้มต้องเป็นดานมุสลิมไหมฉันไม่ได้กินกระดูกนะฉันแค่กินน้ําต้มกระดูกเออเวไม่ได้กินกระดูกซะหน่อยแต่เอาเอากระดูกเดี๋ยมาต้มไม่ได้กระดูกก็ต้องฮารานเออบางคนสมมุติไปแล้วแหมอยากกินน้ําต้มกระดูกจังเลยเออกระดูกวัวนะแต่วัวนี่ยไม่ฮารานหรอกเอาน้ำเอากระดูกมาอย่างเดียวเนื้อฉันไม่กินเอาล้อบอกไม่ให้กินเนื้อแต่ฉันไม่ได้กินกระดูกนี่ฉันเอาน้ําต้มกระดูก น้ำต้มกระดูกก็ไม่ได้เพราะกระดูกต้องหาล้านด้วยนะเพราะถือว่าสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชือดหรือไม่ได้ชุดเชือดที่ที่หาล้านเนี่ยกระดูกมันเอามาต้มเป็นน้อยิสมหมดเลยเพราะถือว่าเป็นซากสัตว์นะคราวนี้ต่อมาว่าที่อัลลอ์บอกว่าว่าอินนัชเยียตีเนีชัยตอนมันจะกระซิบกระซาบลายูฮูเนี่ยอิล่าอาลียาอิม <c oughs> <c oughs> คำว่าเอาลียะหมายถึง <c oughs> สหายของมันคนที่เป็นวลัลีเป็นเป็นนายมันด้วยมันก็คือมันให้ให้ให้เป็นหัวหน้ามันอ่าจริงจริงมันคุมอีกทีนะเออมันคุมอีกทีหนึ่งลิอเจดีลูกุ้มเพื่อที่จะโต้เถียงกับพวกเจ้า <c oughs> มีเรื่องอยู่เกิดขึ้นนะมีชายคนหนึ่งกล่าวกับอิบนุอัมัดว่าแท้จริงอัลมุคตาร์ชายคนเนี้ชื่อว่าอัลมุคตาร์กล่าวอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับวาฮีอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับวาฮีซึ่งวาฮีเนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ลงกับใครเลยพี่น้องลงกับใครคนเดียวลงกับนบีมูฮัมมัดเขาไปบอกว่าเขาเนี่ยได้รับวาฮีมันมีเสียงแหววมา และเขาก็เอามาเล่าให้ฟังเขาก็เข้าใจว่าเป็นวาฮีแน่นอนเลยไม่ได้คิดเองนะมันมีเสียงกระซิบแว่วๆมาเออมันทีฝันอย่างเงี้ยก็เอามาเล่าแล้วเขามาอ้างของเขาเนี่ยได้รับวาฮีปรากฏว่าอิมนนอาบาสบอกว่ามุกตาเนี่ยพูดจริงแล้ว อ, อิมนูอาบาสบอกว่าพูดจริงเฮ้ยมุกตาจะพูดจริงเนี่ในเมื่อวาฮีเนี่ย ต้องให้กับนบีมุฮัมมัดเท่านั้ น, นอิบนาอับด์อธิบายต่อวะฮีในมีสองประเภทหนึ่งวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ให้กับนบี ม, มุฮัมมัดสุลละาละฮ์ฮุยและฮิวซัลลัมเพียงแค่ท่านเดียววะฮีของอัลลอฮ์ะนะท่านเดียวส่วนวะฮีที่มาจากชัยตอนงงไหมวะฮีวะฮีก็คือการวิวอ่ะนะ เสียงที่มันเข้ามากระซิบกระซ า, าบเข้ามาหรือจะฝันก็ได้แต่เนี่ยมันมาจากชัยตอนมันไม่ได้มาจากเอาล้อมันมาจากชัยตอนบางคนก็เอามาเล่าเป็นตุกเป็นตุ่เป็นตะ เ, เ, เลยอย่างงั้นอย่างนี้ไปเห็นไปเห็นไอ้นั่นมาไปเห็นไอ้นี่มาฝันว่าตายไปแล้วไปทัวนนรกมาอะไรก่อไหมรู้ที่ไหนได้ชัยตอนมันเข้าไปกระซิบกระซาบนะ วาฮีนี้มาจากชชยตอนเพราะมันกระซิบกระซาบให้กับพลพักของมันอ่าดังนั้นให้ดีนะใครที่อ้างเรื่องศาสนาแล้วบอกว่าผมไม่ได้พูดเองนะมันมีเสียงมามันไม่คนมากระซิบข้างหูอ๋อใช่จากวาฮีจะวาฮีจากชชยตอนบอกไปเลยไม่ใช่มาจาก Allah. <c oughs> อาัลลอ์นะตอนมาอัลลอ์บอกว่าอินอัตโะ อินอาโตตูมูห um ุม uh อินนะกุม um และมุชลีกูนและจะหาพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขาแน่นอนพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่ตั้งพาคีพอเวลาไอพวกเนี้ยมันได้ยินเสียงกระซิบกระซาบมามันก็จะอ้างว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันได้ยินมาเหมือนกันแต่อย่าไปเชื่อเอ๊ะการไปเชื่อคนนี่ถึงขั้นเป็นชิริกเลยเหรอเออไปเชื่อคนอื่นที่ที่เขาอาจจะมีคาพูดดีด แต่มันขัดกับศาสนาเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าคำพูดเนี่ยมันแ๋วแต่มันขัดกับศาสนานะถึงขั้นเป็นชีริกเลยหรอ อ, อายะกุรอนนึงอัลลอฮ์บอกว่าอิแต่ขอดูอับบารอฮุวมวะรุหบานฮุมอบารบันมินดูนินแหละพวกเขาเนี่ยได้ยึดเอานักปาดของพวกเขาและก็ บ, บรรดาบาดหลวงพวกยาฮูดก็เอาบาดหลวงของเขานักป่าเขาพวกอันซาโอรอก็เอาบาด <c oughs> <c oughs> ก็เอาบาดหลวงนะของพวกเขาเนี่ยอื่นจากอัลลอฮ์ติดมีดีได้บันทึกเอาไว้มีอะฮ์ดีบินฮาติมได้กล่าวถามท่านรอซูลอัลลอฮฺมาในาสั้นลำว่าพวกนักบาดเนี่ยหรือบาดหลวงเนี่ยพวกคนที่เชื่อเนี่ยเขาไม่ได้ไปกราบไหว้บาดหลวงนะคริสเตียนเขาก็ไม่ได้กราบไหว้นาซอรอก็ไม่ได้กราบไหว้นักบวชของเขาแล้วทําไม ถึงท่านเป็นชีริกเลยล่ะนบีบอกว่าบลาอินหุมถูกแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ท่านเข้าใจนะพวกเขานักป่าหรือว่าบาดหลวงเนี่ยทำสิ่งที่ฮารอมเป็นหาราล้านไปเปลี่ยนฮุกกลมเปลี่ยนคมภีแก้คำพีสังขยาณนาะคำพีของลอแล้วก็เปลี่ยนจากของที่ฮารฮารอมเป็นหาราล้านเช่นห้ามกินหมูจริงๆนะห้ามกินหมูเนี่ยมีนนในคำพีต่อหน้านี้แล้ว ไอ้นี่แก้พันธสัญญาเล่มเก่านี้ห้ามกินหมูอยู่มันแก้เลยหมูกินได้หมูสะอาดแล้วแก้มันก็ไปเชื่อว่าเนี่ยเขาเขาอะไรนะเขาบอกมาทั้งท่าที่มันขัดกับคําสั่งของลอและไอ้พวกนี้ก็ไปเปลี่ยนสิ่งที่ฮารอมเป็นฮารานและเปลี่ยนจากสิ่งที่ฮารานเป็นฮารอมและเขาก็ปฏิบัติตามนั่นแหละ หมายถึงเขาได้กราบไหว้บูชาแล้วถ้าใครเอาคําพูดของคนคนหนึ่งที่ขัดกอหลอมาเหนือคําพูดของอัลลอฮ์โดยที่ไม่ต้องไปกราบนะแค่เอามาเป็นปรัช ญ, ญาชีวิตนําชีวิตโอ้โหยิ่งกว่ากุฎอ่านอีกกุฎอ่านว่าไงกูไม่สนเนะี่ยเอาไอ้คำพูดของไอ้คนเนี้ยมาเป็นหลักเลยมาเผยแพร่เป็นหลักเลยไอเนี่ยแหละเท่ากับเป็นชีริกแล้วเพราะอะไรเพราะยกคนคนเนี้ยใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮ์อุยุ่งนะเออ ดังนั้นตรงนี้ต้องระวังน ะ, ะคําสอนที่ขัดกับหลักการศาสนาและเรายังไปยอมรับจริงๆยอมรับกันหมดแล้วทํามันขัดกับศาสนาแล้วไปยอมรับก็เท่ากับเปลี่ยนภูกรมเนี่ยแล้วก็ไปยอมรับไปเชื่อตามเลยทุกอย่างเลยนั่นแหละเท่ากับคนๆนั้นเนี่ยได้กราบไหว้บูชาต่อคนๆนั้นแล้วนะครับวงเล็บนะต้องเป็นคําสั่งที่ขัดกับหลอ์นะถ้าไม่ได้ขัดกับหลอเป็นในทิศทางเดียวกันไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อายะที่รยี่บสองเอามักานาไมต์ฟ้าอภัยนาหัวจ้านาเลหูนูรอ ยำชีบีฮิฟินนัสิกะมะมะตาลูฮูฟิซูลูเมตยำชี كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ก็ได้นั้นซูอิย์นั้นสำหรับผู้ที่ไม่รู้อย่าทำนั้นในกุรานเนี่ยจะมีการอุปมาอุปมาแปลว่าอะไรภาษาไทย เปรียบเปรยเปรียบเทียบให้เห็นภาพเยอะแยะเลยคนที่คนที่โง่เขาเสมือนกับลาที่แบกหนังสืออ่าอ่าเพราะอะไรเพราะลาแบกหนังสือเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่เป็นมันแบกอย่างเดียวหนังสือมาเต็มตัวมาเลยแต่ไม่ได้รับความรู้อะไรในในในหนังสือนั้นได้แต่ความเหนื่อยเท่านั้นเหมือนลาที่แบกหนังสือ มีการเปรียบเปยตรงนี้เปรียบคนกาเฟตกับคนที่เป็นมุมินเปรียบยังไงนี่คืออุปมาที่อัลลอฮฺได้ทรงเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างมุมินผู้ศรัทธาที่เคยตายเคยตายคืออะไรหมายถึงตกอยู่ในความหลุหลงผิดและความหายนะไรจุดมุ่งหมายเอาพูดถึงคนที่ มีสองกลุ่มนะหนึ่งไม่ได้เป็นอิสลามเลยเกิดมาในครอบครัวที่เป็นนอนมุสลิมแล้วก็มารับอิสลามลองนึกถึงวันที่ยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยชีวิตเขามีอะไรเป็นเป็นที่ยึดเหนียวไม่มีถ้ามีก็เยอะมีหลายอย่างไม่มีเป้าหมายด้วยไรเป้าหมายไรไรจุดมุ่งหมายกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นมุสลิมนั่นแหละ มีย่อมีมะเป็นมุสลิมนั่นแหละแต่ไม่ได้เอาหลักการศาสนามาใช้มีคนคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนมุอาลลัฟเขาบอกว่าอาจารย์ผมไม่ได้เป็นมุอาลลัฟนะผมเป็นมุสลิมแต่เดิมเอา้าแล้วทำไมแกมาเรียนมุอาลลัฟล่ะเขาบอกว่าอ๋อไม่ต่างกับมุอาลลัฟลเราพ่อที่บ้านผมเนี่ยเป็นมุสลิมแค่ชื่อละหมาดไม่มีบวชไม่มีละหมาดไม่มีเลยนะแต่จะละหมาดก็คือเมื่อวันอีดจะละหมาด ละหมาดเฉพาะอีดอย่างเดียวห้าเวลาไม่มีวันศุกร์ไม่มีบวชไม่เคยบวชแต่เป็นมุสลิมงงไหมเป็นแค่ชื่อเป็นแค่ชื่อแล้วบ้านนี้กําแพงสูงเลยไม่คบกับใครด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่สูงสิงกับคนมุสลิมเพราะมองว่าคนมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาชวนทําวงทําบุญเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าไม่คบกับใครครบกับใครได้อ่ะคนแบบนี้ จนกระทั่งลูกเนี่ยมาเจอเพื่อนที่เป็นมุสลิมด้วยกันชวนละหมาดเด็กคนนี้บอกว่าบางฉันละหมาดไม่เป็นตกใจเลยเป็นมุสลิมอะไรว่าละหมาดไม่เป็นจนกระทั่งพาเข้ามาเรียนศาสนาใหม่ทมดุดิแลทุกวันนี้ยอนกลับมาเปลี่ยนตามลูกแล้วกลับมามีละหมาดกลับมามีถือสินอดอย่างแบบนี้เป็นมุสลิมแค่ชื่อเพราะว่าไม่มีการปฏิบัติเลย ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแหละพูดง่ายๆนะว่าต้องทำอะไรบ้างเกิดมาทำไม่ก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันนับถือศาสนาอิสลามไม่กินหมูอีเรื่องหนึง่งไม่กินหมูอลัลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาหมายถึงที่เคยตายเนี่ยหมายถึงก็ไ้หมายถึงตกอยู่ในความหลงผิดอยู่ในความหายาะ่าอะไรจุดมุ่งหมายแลวพระองค์ก็ทรงทาให้เขามีชีวิตใหม่เออ อาจจะเคยได้ยินนะคนที่จับไปอยู่ในถูกอ่าสมมุตินะจบถูกจับไปอยู่ในซ่องถูกบังคับไปคาบปเวนีเขาบอกเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่พอเวลาที่ไปช่วยกลับมาได้เขาเหมือนแบบชีวิตใหม่เขาเลยเอออันนี้มันก็คือความลําบากที่เกิดขึ้นแต่ตรงเนี้ยมันหมายถึงหลักความเชื่อเลยนะชีวิตอาจจะไม่ลําบากหรอกแต่ความทุกข์ระทมในหัวใจมันเกิดขึ้นครวนี้ อัลลอ์ก็เปลี่ยนให้มีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ตรงนี้ถ่ายถึงห ม, หมายถึงมีศรัทธาได้รับทางน้ำที่ถูกต้องปฏิบัติตามรอยศูนย์ของพระ อ, องค์นี่ทำตามสุนยนานาบีนี่คือชีวิตใหม่เลยนะอัลลอฮ์บอกว่าอัวะอาวมันแกนะไมตันและเราได้ให้แสงสว่างแก่เขาขอโทษทีผู้ที่ตายไปแล้วนั้นทำไมอาวะมันแกะนะไมตันและผู้ที่ตายไปแล้วนั้น เราได้ฟะอัยนาฮูเราได้ให้เขามีชีวิตขึ้นวจานนาลาหูนูรอและเราให้ได้ให้แสงสว่างแก่เขานูรอแปลว่าแสงสว่างนูดมีทางนำได้รับทางนำาละยัมชีบิฮีฟินเนสซึ่งเขาก็ใช้แสงสว่างนั้นเดินไปในหมู่มวลมนุษย์ ทมกลางมนุษย์ที่ลายรอบเราเนี่ยมันมีหลักความเชื่อบารานาเยอะไปหมดเลยแต่คนคนเนี้ยจะไม่หลงทางเพราะมีแสงสว่างนําอยู่ใครจะชวนไปไหนจะพาไปเข้าไปพงหญ้าจะพาไปกอปือไม่มีทางอ่ะฉันมีทางนําแล้วแบบนี้เนี่ยปล่อยได้นะหมายถึงว่าให้ไปอยู่ในสังคมที่มันมันอะไรนะมันเต็มไปด้วยกับความเชื่อตา่ตางๆได้เพราะเขาแข็งแรงแล้วมีทางนําแล้วแต่ถ้าไม่มีความรู้ศาสนาแล้วปล่อยไปอยู่นะเสร็จเลย โดนจูงหมดนั้นลูกหลานเราเนี่ยจะเข้ามาหาวิทยาลายัยต้องเช็คก่อนว่าอากีด้ามันคงยางละมาแข็งยางบวช ด, ดีไหมถ้าปล่อยเข้ามาหาวิทยาลายัยครวนี้เสร็จแน่โดนดึงออกจากศาสนานะบอกต่อว่ากา ม, ก า, ม, มาสลาลูหูฟิสุลูมัดลักษณะดังกล่าวนั้นจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในความมืด ลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะเหมือนกับคนที่อยู่ในมดืดบีคอดิจิมมินฮาโดยไม่ใช่ผู้ที่ออกมาจากความมืดโดยไม่ใช่ ผ, ผู้เป็นผู้ที่ออกมาจากความมืดได้อย่างไรแปลว่าอะไรหาทางไม่ออกหาทางออกไม่พบไม่มีไม่มีความมั่นใจอีกด้วยอ่าไม่มีทางออกเลยและคําว่าลักษณะอยู่ในความมืดหมายถึงว่าอะไรอารมณ์ไฟต่ํา เป็นเกณฑ์เลยเอาอารมณ์ตัวเองนำนำหลักการหมดหลักการไวท้ทีหลังเอาความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งและก็หลงทางอยู่ยงั้นแหลน ะ, ะนะท่านี้อัลลอฮ์กล่าวอ่าขอโทษที่เป็นฮะดิษนะท่านอูชุนบอกว่าอินน ah ัลลอฮ์คอแลกคอคอแลกคอหูฟิซุลมาแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิ ด, ก, ดก็คือมนุษย์อยู่ในความมืด คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการอยู่ในความมืดหมดงงไหมเออไม่มีใครนะเกิดมาแล้วสว่างเลยไม่มีมืดหมดอ แ, แปลว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยรู้จักอร่อยยังเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักอ่านกูอ่านเป็นปะไม่เป็นก็เกิดมาบนความมืดหมดนะเด็กเนี่ยแล้วก็อีมุมหนึ่งก็คือในท้องอะ่ะมันมืดออกมาก็สว่างก็มีแสง อันนี้แปลในแบบแบบเห็นๆเลยก็คือเนี่ยมืดตรงนี้หมายถึงในท้องก็ได้เด็กทุกคนออกมามืดหมดอย่เพออยู่ในท้องนี่มืดและก็ออกมาก็สว่างใจอันนึงที่เป็นสัจธรรมคืออะไรคือทุกคนเกิดมาโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแอนซุมม์รสชัยลฮิมินูรพระองค์ก็ได้พรมพวกเขาด้วยรัศมี พรมนี่พี่น้องลองดูนะภาษาไทยเนี่ยพรมเนี่ยมันจะรู้สึกสบายแล้วก็ไม่หนักเกิดไปด้วยพรมน้ํากับเทน้ําใสเทนี่มีมโมโหนะแต่ถ้าพรมพรมเนี่ยังเออเหมือนกับเวลาปกสามีภรรยาเนาะอ่านบีสอนเนาะเวลาปกสามีละหมาดภรรยาปกสามีใช้น้ําพรมที่นาเขามีคนคนนึ่งเขาเขียนว่ามันมีวิธีหนึ่งนะปกภรรยาแบบฉมังเลยเฮ้ยมีด้วยหรอ นบีสอนนี่พรมน้ํำนะเขาบอกเวลาปลุกเนี่ยเรียกชื่อใช่ไหมอ่าสมมุติชื่อนาดีอเขาเด็กนาดีตื่นนะลองเปลี่ยนเรียกชื่อดูสิพอพรมเส็จอูดาตื่นนะขึ้นมาเลยอูดาใครวะ <c oughs> อันนี้จะไม่ได้ละหมาดหรอกดูแลจะต้องมาเคลียร์ยาวเลย <c oughs> เรียกชื่อผิดสมมุติสมมุติอันนี้เขาก็ระเซา้าอันนะแต่จริงๆอย่าไปเรียกชื่อผิดนะเป็นเรื่องเลยนะอ่าอันนี้แกงแกงอา้าว เอาเราใช้คำว่ารัชพรมก็มันจริงๆนะเด็กเนี่ยจะค่อยๆซึมซับความรู้ไปไม่มีหรอกส่งไปเรียนวันแรกโอ้ยกลับมาปุ๊บหาฟิตได้ละจ่ายยอส0มยุดโอไปเรียนวันแรกได้ส0มสิบยุดเลยเหรอไม่มีหรอกได้ทีละตัวค่อยๆซึมไปพรมไปเรื่อยๆพรมนูรหมายถึงความรู้เนี่ย <c oughs> แสวงหาความรู้ ฟ้ามันอาซอบาฮูไดลิกันนูรออตาดาดังนั้นผู้ใดที่ประสบการัศมีดังกล่าวนั้นเขาก็จะรับทางนำก็คือหัวใจที่ไฟเรียนไฟรู้ไฟหาสัจธรรมใช้คำว่าไฟไฟหาสัจธรรมด้วยไม่ไม่แช่แข็งความรู้ตัวเองบางคนเนี่ยเหมือนน้ำเต็มแก้วนะพอจะไปสอนอไม่ฟังหรอกฉสนจบชั้นฟืนชั่น โอ้โหจบมากี่ปีแล้วเนี่ยสี่สิบกว่าปีแล้วยังยังภูมิใจอยู่นั่นแหละแกต้องหาทางอื่นบ้างแล้วหลอเรียนเพิ่มบ้างสิไม่อยากจะหาความรู้อย่างอื่นและคิดว่าตัวเองพอแล้วอันนี้น่ากลัวแต่คนที่เขาจะหาความจริงเขาก็จะพยายามเรียนศาสนาเพิ่มเติมยิ่งเรียนยิ่งมีความสุขได้ปฏิบัติเอตัดดาอัลลอฮ์ก็ให้ทางนําวะมันอัคตาฮูดัลแหละแต่ถ้าใครพลาดระสมีนี้ความรู้เนี่ยมาจ่ออยู่ข้างหน้าแล้ว ไม่เอาอะเออบางทีน้ำมาจ่อแล้วนะเนี่ยจะไปสมัครเรียนศาสนาอยู่แล้วไม่เอาอะดูแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนู่นดีกว่าไปเรียนานานาชาติดีกว่าเรียบร้อยหลุดเลยนะสุดท้ายเขาก็หลงทางไปอะดีสนี้เข้าใจชัดเจนมากนะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมาในสภาพมืดกันทั้งหมดและก็ออกมาแล้วคำว่าซูรูมารสเนี่ยมันเป็นจ้ำนะ ไอทางมืดเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแต่นู๊เป็นหนึ่งเดียวแสงสว่างนี้มีอันเดียวคืออิสลามไม่มีอย่างอื่นแล้วไม่มีอย่างอื่นและเป็นอิสลามอย่างเดียวที่เป็นแสงสว่างใช้คําว่านู๊ดเป็นเอกพจน์เลยอัลลอฮ์บอกต่อกาดาริกาซุยนาลิกาฟิรีเนมักะนูยะมารูนและในทํานองนั้นแหละได้ถูกประดับแก ด้วยถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งสิ่งที่เขากระทกากันเขากระทำความชั่วช้าแต่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจมีนะคนทำความชั่วแลวภูมิใจเออเอาความชั่วมาพูดกันสนุกปากเยอะมากในตอนนี้ในเฟ e b o ๊ k ทำสีนากันกาดเกินเอาเรื่องสีนามาเล่ากันสนุกวันนั้นไปได้ไอคนนี้ไอคนนี้ได้ไอ น, นั่นครั้งนั้นโอ้ยเล่าได้แบบไม่ได้อายปากเลย ได้นคนฟังก็ชอบด้วยนะฟังอีตหาหักแม่คือ <c oughs> มันกับทั้งทั้งคู่นะอหมคราวนี้อัลลอ์ามาดูอายะุรอ่านหนึ่งขอโทษ น, นะมันมีมันมีอันนี้สำคัญมากเพราะว่าอ่านแนละ้วมันกินใจอยู่ในสุรฟา์ติรอัลลอ์เปรียบเทียบนะว่ามสตาวิลอะมาวลบาซีรอัลลอฮ์บอกคนตาบอดกับคนตาดีนั้นอ่ะดูสิคนตาบอดคนตาดีเท่ากันปะ ไม่เท่าวาเลซูลูมาตววาเนวาเลนูรความมืดกับความสว่างความมืดกับความสว่างก็ไม่เหมือนกันคนตาดีกับตาบอดก็ไม่เหมือนกันวาเลซิลูวาเลฮูรุนวลฮรร่มเงากับร้อนแดดก็ไม่เหมือนกันตากแดดกับอยู่ในร่มเหมือนกันไหมไม่เหมือน ว่ามายัสตาวิลอะฮียาَวัลอวَลอัมวัตคนเป็นกับคนตายก็ไม่เหมือนกันแท้จริงอัลลอฮ์อินَัลลอฮัยยุสมิอุมัยยะ ا ะแท้จริงอัลลอฮให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ยินว่ามาอันตะซามิุม ว่ามาอันแต่บีมุสมีอิมมันฟิลกบูรเออและเจ้าไม่สามารถทําให้คนที่นอนอยู่ในหลุมกูโบเนี่ยได้ยินได้เจ้าไม่ใช่อื่นใดเป็นผู้ที่ตักเตือนเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่สมมุตรริเราไปสอนคนที่มันไม่เอายิงจริงนะทํำยังไงมันก็ไม่เอาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนมันนอนตายอยู่ในกูโบแล้ว เหมือนกับเราไปสอนคนตายอ่ะในกูโบ่ละหมาดอย่างงี้นะนี่จ๋าละหมาดอย่างนี้น ะ, นะนนะบ้างละหมาดอย่งี้ยกมืออย่างนี้คงบ้าอยู่ในกูโ บ, โบไปสอนได้ยงไงตายแล้วเออต้องสอนคนเป็นอ่าไม่มีใครไปสอนคนตายหรอกครับเพราะาคนตายเนี่ยเขาไม่รับรู้อะไรแล้วเขาไปอีกโล่งนะไปอยู่บ้านซักแล้วเช่นเดียว ก, กันกับคนที่หัวใจตายด้านไปแล้วทํายังไงก็ไม่ฟื้นแล้วเออลอจึง ปรอบใจท่านนาบีว่าท่านจะพยายามสอนคนตายยังไงคนตายก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยเพราะหัวใจเนี่ยมันตายได้แล้วน ะ, อ, ะอ่านต่อนะวกดาริกะจัลนาฟิกุลลิคอร์ยตินอัคบิรมูจริมิฮัลียัมกูรุฟีฮะ และย้ำว่าไม่ย้ำกูรู้น่าอิ่มแล้วเป็นฟุซิมว่าไม่จรู وإذا َ جاءتهم آية قل ل ن, ن ْ من ح َ تنو ت ก้าวลันหนุ่มในพัฒนَตามิสลามอุติยาอุส ل ลุลลอ a ل l a h u أعلم حيث يجعل الرسالة ال الر سيصيب ال oh. الذين أجرم صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكورون وعذاب شديد بما كانوا ي م ك ر د د و ن و كذلك และในทำนองนั่นแหล ะ, ะในทำนองนั่นแหละ เราได้ให้มีขึ้นแต่ละกุลิกอริยะกอริยะแปลว่าตำบลหมู่บ้านก็นไแหละอ่าเป็นกอริยะเป็นเป็นตำบลเนยสมัยก่อนก็คือเขาก็อยู่กันเป็นเป็นเล็กๆกันนะอ่าคือคําว่าคําว่าเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยเมืองมันแบบแทบจะเป็นเมืองหมดแล้วเราขับรถกรุงเทพออกไปสมุทรปราการเนี่ย มันแทบจะไม่มีที่ว่างเลยมันก็คือเมืองยาวไปหมด <c oughs> แค่มีเขตบอกว่าเนี่ยเข้าเมืองอีเมืองแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเมืองก็จะถูกกำแพงล้อมหรือมีสัญลักษณ์อยู่ก็มีคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีแค่นั้นเลยนะและระหว่างทางนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยและก็ไปอีกเมืองนึงไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> อยู่เป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆเป็นตนําบลระหว่างทางนี้แทบจะไม่มีเลยก็จะเป็นแค่พวกคนที่มาพักคาเดว่ามุซาฟิตเดินทางแล้วก็มากางเต็นท์อยู่ แต่สมัยนี้มันมันกระจายไปหมดมันแทบจะไม่ดูไม่ออกแล้วว่าตรงไหนเป็นเมืองไปแล้วมันเมืองกันทั้งนั้นเลยคราวนี้เอาล้อบอกว่าในทานอง น, นั้นแหละเราได้ให้มีขึ้นแต่ละตำบลใครอะอากบิรอมูเจริมีฮบรรดาบุคคลสำคัญสำคัญเนี่ยผู้กระทำความผิดในตำบล น, นั้นเขาเรียกหัวโจก แต่ละที่ก็จะมีหัวโจกอยู่มีมุจริมมุจริมนี่แปลว่าอาชญากรก็ได้นะมีอาชญากรอยู่คือน้อยมากถ้าตาบล น, นั้นีจะไม่มีคนชั่วเลยนะสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็ยากส่วนใหญ่จะมีและมันจะมีตัวเอ่อตัวมีคนหนึ่งที่มันจะเป็นหัวใหญ่เลยหัวหน้าใหญ่เลและก็มีบริวารมีลูกน้องลองสังเกตไหมถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาจะหัวหน้าแก๊งต่างแก๊งขึ้นมา อแล้วก็มีลูกน้องคอยไปสร้างความปั่นป่วนแก๊งนี้ก็คอยทําเรื่องไม่ไมถูกกฎหมายใตย้ดินเคลียร์กับตารวจเออแล้วก็ปราบไม่ได้อเพราะมันใหญ่เพราะมันใหญ่อลัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์จะให้มีแต่ละตําบลเป็นอย่างเงี้ยยังไม่แปลกนะโอ้โหไอ้นี่นั้นไอ้นี่มีผู้มีดิพนอยู่ตรงนั้นมีผู้ปราบเป <c oughs> ็นวนร็อกเวลาปราบทีนี่มัน่าขึ้นมาใหม่อลัลลอฮ์ให้มีขึ้นอ้าวมีทําไมอ่ะ เลี่ยมกูรูฟีฮาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้วางกลนอบายห <c oughs> <c oughs> ลอกลวงในที่นั่นกำลังกลับไปที่อายาเดิมจำได้ไหมว่าแต่แล้วรอซูลเนี่ยมีศัตรตูอยู่แล้วอ่านบีอยู่มกกะกาเจออบูซุบยานหัวหน้าเมืองเจอใครอีหละ อบูจ่ฮันอบูละฮับนี่ผัวโจกทั้งนั้นอ่าพอนบีมาอยู่มาดีนะนึกว่าจะหมดนะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูลและยังมียโฮดอีกสามตระกูลอ่าไม่ใช่ว่าอยู่มาดีนะแล้วก็โอ้ยสบายไม่มีศัตรูรอบเลยค่ะนี่ศัตรูอยู่ในเมืองเลยก็คือมีทั้งเยโฮดอีกสามตระกูลมีไอหัวหน้ามุนาฟิกอีกนะดังนั้นในโลกปัจจุบันเนี้ย มันหายากนะที่ไหนที่จะไม่มีคนไม่ดีเลยบางคนเนี่ยฉันอยากจะอยู่ที่ที่มันไม่มีไม่มีแต่คนดีอย่างเดียวละหมาเต็มสุเราไม่มีคนเมาไม่มีคนไม่มีคนที่แบบไม่ดีเลยอ่ะมันยากนะมันจะไปหาที่ไหนไปนุ่นไปฮารอมนุ่นไปอยุมากาเนี่ยนะแต่เมืองไทยมันหายากมันก็มีอยู่แล้วอ่าเอาแล้บอกต่อว่ายะวามายมกุรูนะอิละบิอันฟูสีหิมวามายชองรูน และพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้วางกลอุบายหลอกลวงใครนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นนะแต่พวกเขาก็หารู้สึกไม่ยูเผ่าที่สามที่ถูกจัดการก็คือบานีนาดิตบานีนาดิสเนี่ยฉันบอกไปแล้ววางแผนฆ่านาบีจะเอาไอโมแป้งหินเนี่ยทุบหัวนบีนาบีรู้ตัว พอ น, นบีรู้ตัวเสร็จก็จัดกองทัพมาบอกว่าให้เวลาสิบวันสิบวันเลยนะให้ขนของออกไปได้ให้หมดอะ่ะแกขนอะไรได้เอาไปให้หมดถ้าหลังจากสิบวันเจอใครยังมาเดินป่นเป็นอยู่ก็ขอหลุดตอนแรกเก็บของแล้วเก็บของล้วมีพวกปัน่นก็คือหัวหน้าหัวหน้าอะไรนะหัวหน้ามูนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอูบัยบินซาลูนมาบอกเฮ้ยพวกแกมีตั้งสองพันกว่าคนกลัวลอะไรอ่ะ เดีมีพักพวกมาช่วยอีกเดี๋ยวเอาครุไรยอมาช่วยเอาพักพวกฉันมาช่วยแข่งเลยสู้กันสู้รบเลยนะสู้เลยสุดท้ายก็ไปบอกอับดบีบอกว่าอย่าบีอยากฉันไม่หนีแล้วอยากจะจัดการเลยก็จัดการมาเบีก็ส่งกองทัพไปเลยส่งท่านอาลีบินเบีต่อเล็ฟไปปรากฏว่าวันล้อมล้อมไม่ถึงเจ็ดวันมั้งฮะนัดแล้วไม่มาไอ้พวกที่สัญญาว่าจะมาช่วยเทหมดเลยไม่มาเลย อา้าวไหนบอกจะมาช่วยกันเนะี่ยสุดท้ายยอมยอมจำนวนต่อท่านะบีนบีก็ใจดีนะให้อูดตัวหนึ่งเอาทรัพย์ที่มีค่าแบกให้เต็มอูดหนึ่งตัวแล้วออกไปยังให้เอาไปนะเออเอาอูดตัวหนึ่งเอาอะไรที่มันมีค่าใส่เท่ากับอูดตัวหนึ่งแบกได้แล้วเอาไปยกเว้นอาวุธอาวุธห้ามเอาไปไอพวกนี้ทำไงรู้ไหมความเหนียว มันถอนเสาบ้านแบกไปแบกใส่หลังเอาโทรณีกระประตูแบกไปโอ้โหความแล้วบ้านที่มีอยู่เป็นบ้านดินใช่ไหมแล้วบ้านดีสวยนะั่นสองชั้นนะมันทุบหมดเลยความแสบมันนะมันกลั ว, วเดี๋ยวมุสลิมจะมาอาศัยอยู่ใช่ไหมมันทุบทิ้งเลยและแบกแม้กระทั่งเสาเอาโทรณีไปคง มันก็ลงคงสมเพศนะดูมึงโอโหแบกเสาไปอะแล้วต้องเดินทางไปทนายแล้วไม่ใช่ใช้อุดไม่ได้ไงเพราะอุดเนี่ยระเบีให้ตัวเดียวแบกทรัพย์สินแต่ถ้าจะแบกติดตัวไปไม่ห้ามไอ้นี่แบกเสาวความเหนียวของมันเน่ยย่ยาูดเนี่ยฉันอ่านฉันยังขำเลยบอกอ๋อนิสัยมันนะไม่รู้มันทรมานตัวเองทําไมอะเออมันแบกไปเลยแล้วมันไม่ยอมให้มุสลิมใช้ประโยชน์มันทําลายหมดเลยบ้านนะแล้วก็ออกไป ไอพวกนี้เนี่ยแผนการมันชั่วแต่ที่ไหนได้ไอที่มันวางแผนเนี่ยนะสุดท้ายเราเราบอกว่ามันหลอกตัวเองมันหลอกตัวเองนั่นแหละเนี่ยทําตัวเองนะแบกเสาไปเนี่ยไปถึงเมืองคอยบัตเนี่ยไม่รู้หลังหักหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออทิ้งไว้ยิงดีกว่าอีกสุดท้ายหนีไปอยู่คอยบัสหมดเลยนะเอาต่อมาพวกเขาเนี่ยจะไม่วางกลอุบายหลอกลวงใครนอกจากหลอกตัวเองเท่านั้นแหละ แต่พวกเขาไม่รู้ไงว่ากำลังโดนกำลังหลอกตัวเองอยู่คิดว่าหลอกอัลลอฮ์ได้หลอกนบีได้ไม่ใช่หลอกตัวเองนะว่าอีดะอัดุมอายตุนกอลูลันนุมินะฮัตตานุตามิสลามอูติยารุสูลุรุสูลุลลอและเมื่อได้มีอายะไดมายังพวกเขาเขาก็จะกล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดเอาอีแล้ว มีเครื่องหมายมีอายักุรานมามีเครื่องหมายมาบอกเขาจะไม่ศรัทธาลันนุมีนาฮัตานุตาเราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดตราบใดที่ยังไงจนกว่าเราจะได้รับอย่างที่รอศูนของพระองค์ได้รับมาเข้าใจปะคือต้องได้รับเหมือนนบีรับคือให้ยิ บ, บรีนเนี่ยมามาบอกแต่ละคนถึงจะรับถ้ารับมาจากนาบีไม่เอาเอาเหมือนที่นบีรับนบีรับยังไงอะ นบีรับว่าฮีแบบไหนเราอยรับแบบนั้นเราถึงจะเชื่อดูอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งนะที่พระองค์จะจะทรงให้มีศารของพระองค์นะและก็บรรดาความต่ําต้อยการลงโทษอันดุนแรงเนี่ยจากอัลลอฮ์จะประสบแก่ผู้ที่กระทาความผิดอันเนื่องจากที่บกเ ข, ขานั้นด้วยวางกลอุบายเอาไว้มี่หลายอายะเลยนะที่อัลลอฮ์เล่าถึง เอ่อความพินาศคือนําเรียนแบบนี้นะว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตายแลเนี่ยจะไม่ไม่ลงโทษกลุ่มชนใดโดยที่พระองค์ไม่ได้ส่งคำตักเตือนมาก่อนอ่าไม่มีออยู่ดีเก็บบนเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอ่ะอัลลอฮ์จะส่งรอซูนมาเตือนส่งมาบอกให้สัญญาณต่างๆคือพูดง่ายๆว่าให้จนกระทั่งสุดแล้วอ่ะ แล้วดูแล้วไม่มีท่าทีว่าจะเปลี่ยนแล้วเอาล็อถึงลงโทษดังนั้นเนี่ยเอาล็อไม่ทรงอาธรรมกับกลุ่มชนใดมีคนถามต่อว่าและถ้ากลุ่มชนนั้นน่ไม่มีหลอดซูลแหละเส้นสไปอยู่ในป่าเลยอยู่ในเกาะไม่มีใครเข้าไปสอนหนังสือเลยอันเนี้ยเข้าสวรรค์นะเอาลอให้เข้าสวรรค์เพราะสาเหตุก็คืออิสลามไปไม่ถึงเอาล็อไม่ได้จับลงนรกมูนะ ถือให้โอกาสเลยเอาคุณเข้าสวรรค์เลยเพราะคําสอนอิสลามไปไม่ถึงเมื่อก่อนเป็นไปได้ครับเพราะว่าการสื่อสารเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ปัจจุบันนี้ยากมากเพรเอ่อเลอบอกไว้ว่าในอาคริสมาลศาสนาจะเข้าไปในทุกบ้านแม้กระทั่งตําบลที่ห่างไกลพูดถึงเมื่อพันสรกว่าปีที่นบีพูดในนึกภาพไม่ออกนะเข้าไปยังไงทุกบ้านและแม้กระทั่งบ้านที่อยู่ห่างไกลเลยนะ เอาเราก็จะให้มีสัาธรรมเข้าไปแล้วบ้านนั้นจะกลายเป็นบ้านที่มีรัศมีคือบ้านเนี้แทบจะหาคนไม่เจอเลยอไม่มีอยู่ในแผนที่แทบจะไม่มีเลยแต่เขาก็จะได้เจอศาสนาธรรมอิสลามก็คืออะไรนี่ไงอินเทอร์เนต็ตเอ่ยความรู้ที่มาในโทรศัพท์โลกที่มันสมัยใหม่โทรศัพท์เอ่ยดูยูทูบเดี๋ยนี้บนคงบนเขานี่เขามีใช้หมดนานิะไปบนเกาะก็มีหมดอันนี้เราเราพูดถึง เปรียบเทียบสมัยนี้ความรู้มันไปโดยที่ไม่ได้ผ่านคนแล้วมันไปด้วยกับสัญญาอินเทอร์เน็ตไปนู่นไปนี่ส่งไปทําคลื่นต่างๆดังนั้นอัลลอฮ์ให้สะดวกง่ายดายในการรับรู้ศธรรมแต่เหตุที่อัลลอฮ์ให้ลงโทษเพราะว่ามันปฏิเสธไงเรื่องของเรื่องเขาปฏิเสธไม่รับดื้อกัลลอฮ์มันดื้อนี่แหละเหตุเพราะว่ามันรันภาษาภาษาย่อผมมันรันมันดื้อนะ แล้วก็มีอยู่อันหนึ่งกอริยาไตในอายะคุร์อ่านหนึ่งนะในโซรออัลซุครุฟคํำบอกกอรยาไตเนี่ยหมายถึงสองตำบลที่มีหัวโจกเลยนะในตอนนั้นนะก็คือมักกะกับตออีฟเพราะว่าสองเมืองเนี้ยนบีไปแล้วถูกถูกต้านนะถูกขว้างนาบีเคยถูกขว้างตอนที่ไปละหมาดที่มักกะที่มักกะถูกทําร้ายแล้วก็ไปตอีฟก็ถูกขว้างนะแต่ไปมาดิน่าเนี่ยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีถูกขว้างแต่ถูกลอบแอบ อ่าถูกรอบแต่ถูกแอบแต่นี้คือต่อต้านแบบชัดเจนเลยมาปั๊บคว่างเลยไม่ต้องฟังอะไรละ่ะมีนะก็เป็นการอะไรนะให้เขาเรียกให้อะไรนะให้กำลังใจท่านนาบีในอีกนิดนึงยังแปลไม่จบแน่เลยในตรงนี้เขาบอกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะยอมรับในเชื้อสายนาบีนะว่าสูงสง่ง ในหนังสือบอกว่าพวกกุฟฟานเนี่ยยอมรับว่า น, า บ, น, าาา น, นาบีเนี่ยมีความประเสริฐมากเลยตัวท่านนบีเนี่ยมีความประเสริฐมีเกียรติของท่านตระกูลท่านเป็นตระกูลที่มีเกียรติก็คือตระกูลกุเรชความสะอาดของท่านแปลว่าอะไรความสะอาดของท่านไม่ได้หมายถึงตัวสะอาดอย่างเดียวนะหมายถึงไม่มีไม่มีประวัติดังพ้อยที่ไปทําเรื่องไม่ดีเลยเพราะอัลลอฮฺจะปก ป, ป้องบาปจากนาบีนบีไม่เคยไปยุ่งเรื่องการพ น, นันไม่เคยกินเหล้าไม่เคยไปปาร์ตี้ไม่เคยซินา่า ตั้งแต่ตอนที่นบีเกิดมายังกระทั่งถึงก่อนรับวะฮีกไม่เคยไปยุ่งเลยอ่าแต่บางคนเราเนี่ยมันไม่สะอาดหรอกกว่าจะมาเจอสัจธรรมเนี่นะโอ้โหสกรปรกมาเยอะผ่านนนท์มาเยอะผ่านเรื่องมาเยอะแต่นบีเนี่ยไม่มีเลยนะสะอาดมาตลอดอัลลอฮ์ดูแลปกป้องหมดบรรดาแม่นมของท่านนาบีก็ไม่มีประวัติดังพ้อยเลยนะนบีไม่เคยไปดื่มนมคนไม่ดีเลยนมที่เข้าปากนาบีล้วนแต่เป็นคนที่ดีทั้งหมดฮาริมะอัซซาดียะนะ เป็นคนที่ศรัทธาเป็นนางนางเป็นคนดีคนเลี้ยงดูนบีก็เป็นคนดีหมดแม้กระทั่งปู่ของท่าน <c oughs> ลุงของท่านมีเกียรติแม้จะไม่ได้รับอิสลามนะแต่ท่านก็เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนจอเลมใครเป็นคนที่รักษาคุณธรรมและแหล่งกําเนิดของท่านนะคือยอมรับหมดเลยโดยกระทั่งโบนี้ได้รับได้รับ <c oughs> ให้สายญาณนาบีว่าเป็นอัลอามีนแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ แม้กระทั่งหัวหน้ากุฟาตเองอย่างอบูซุบยานเองเนี่ยก็ยอมรับนะว่านับีเนี่ยเป็นคนที่ไม่โกหกเพราะครั้งหนึงอบูซุบยานเนี่ยเคยไปหากษัตริย์เฮราคริอุสนู่นเลยเมืองชามนั่นตอนนั้นเมืองชามถูกปกครองอยู่อบูซุบยานเนี่ยถูกถามว่าคือเฮราคริอุสเนี่ยเป็นจกักรพรรดิเนี่ยถามอบูซุบยานว่าไอ้คนที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยก่อนที่เขาจะมาประกาศอิสลามเนี่ยเขาเคยโกหกไหม อบูซุบยานด้วยกับความมีศักิ์ศรีตัวเองไม่โกหกบอกว่าไงเขาไม่เคยโกหกเลยเขาพูดเรื่องจริงมาตลอดแล้ววันนี้เขาพูดเรื่องพระเจ้าทําไมไม่เชื่อก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีประวัติโกหกเลยอยู่ดีจูยู ด, ยดีวันหนึ่งอยากจะมาโกหกเรื่องพระเจ้าเหรอนี่นะแล้วก็เป็นทัดิษยาวเลยนะก็ถามถึงตัวของท่านนาบีเฮราดิอุสเนี่ยนะเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้รับอิสลามนะกษัตริย์เนี่ยถามไม่เฉยนะ เออมีฮะดิษมึงในวันกยามะเนี่ยคนที่หลอกลวงคนที่หลอกหลอกลวงนะครับหลอกนบีหลอกศาสนาวางกลอุบายเพื่อจะคูอพูด ง, ง่ายๆไม่ไม่เป็นศัตรูแบบเปิดเผยอนะ่แต่หลอกลวงต่างๆไม่รับอิสลามจริงๆอะไรเงี้ยนะอลัลลอฮ์จะปักธงไว้ที่แก้มก้นของเขาแล้วก็จะมีเสียงกล่าวว่านี่คือการหลอกลวงของเจ้าเจ้าคือลูกคนนั้นจะมีธงปักที่ตูด เป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยให้เห็นเลยถามว่าทำไมอ่ะเพราะไอาการหลอกลวงเนี่ยเขาจะหลบหลบซ่อนๆหลอกนี่เขาไม่แบบเปิดเผย เ, เนาะในวันกิยามัตอลัลลอฮเลยเอาธงปักที่ก้นเลยให้เห็นชัดเจนว่าไอเนี่ยไอคนหลอกลวงนะอ่ะอ่านต่อนะอายะที่ร้อยี่สิบห้าฟอรมายูริดิลาหูไอยะ ดิเหูยชรอศดรอหูลิลอิสลาม วเมนเดอ ي ด ل ลล์ฮَู ج จ ع ل ص د ر ه دَيِّقًا ح َ ر ج ا كأنما يصعد, السماء كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. มาดูความหมายนะครับผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงต้องการให้เขาได้รับทางนําอัลลอฮ์ก็จะทรงให้หัวอกของเขาเนี่ยเบิกบานเพื่ออิสลามโอ้โหพี่น้อย น, นี่ชัดเจนเลยนะมีความสุขไม่อึดอัดนะเวลามาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีโอ้โหฟังไม่ได้ตัวร้อนอย่างนี้อย่างนี้ไปเข้าถ่าแล้วแต่บางคนเนี่ยมีความสุขกับการได้ฟังศาสนาได้เรียนศาสนามีโต๊ะคนหนึ่ง อายุ 90, เก้าสิบแล้วกันลอโทรมาอ่ า, อาจารย์อย่าเลิกสอนนะฉันบอกว่าสอนที่ไหนจ้าวิทยุวิทยุโตะฟังตลอดเลยนะเพราะว่าถ้าขาดวิทยุไปเนี่ยโตน่าจะอยู่ไม่ได้แน่เลยโต๊ะขาดใจแน่เลยโต๊ต้องฟังศาสนาบอกเออดีแนละ้วแหละโตโตซื้อซื้อฐานไว้แล้วกันนะอย่าให้วิทยุดับนะอหมคือแกแบบมีความสุขกับกันฟังเรื่องศาสนามากนะ ฟังบ้างไม่ฟังบ้างบางทีลูกหลานเข้ามาก็เปิดคอคอเอาไว้ฉันบอกว่าเอาลอดจะให้หัวใจเขาเนี่ยมันเบิกบานกับอิสลามมีความสุขมีความรู้สึกดีมีความสุขแล้วกันผมไม่รู้พูดยังไงนะมีแสงสว่างได้ละมาดวันไหนไม่ได้ละมาดนี่แหมหงุดหงิดคือละมาช้านะไม่ต้องไม่ใช่ว่าไม่ละมาดนะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอุ้ยเดี๋ยวต้องละมาช้าหนะึ่งหงุดหงิดแล้วต้องหาไม่ได้ฉันต้องละมาแล้ว จะออกไปนอกบ้านถ้าไม่มีผ้าหิหยาบยังไงก็ไม่ออกมันลุกสึงอุดหงิดถ้าไม่ได้แต่งตัวให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนานะว่าไม่ยูริดอายยุดิลลูยะจันซอดรหูดดยกอฮาระจาและผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการปล่อยเขาให้หลงทางเนี่ยวอกเขาก็จะคับแคบอึดอัดประหนึ่งเขานกำลังขึ้นไปบนฟากฟ้าคืออายานี้นะ เพิ่งมาค้นพบไม่นานเรื่องของแรงกดอากาศว่าคนเนี่ยยิ่งขึ้นไป บ, บนท้องฟ้าปั๊บจะรู้สึกหายใจไม่ออกอ่าคือออกซิเจนมันมันน้อยอะฮะมันจะรู้สึกอึดอัดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะเรื่องเนี้ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไม่มีใครขึ้นไปหมายถึงหมายถึงเครื่องบินอะไรมันยังไม่มีเรื่องหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพอมาค้นพบว่าเอาล้อบอกไว้แต่ พันสี่อปีแล้วว่าเมื่อเมื่อคนคนนึงขึ้นไปบนที่สูงสูงปั๊บเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยไอพ้นภูเขาก็ยังไม่สูงเท่าไหรน่นะขึ้นไปบนฟ้าเลยเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดแรงกดอากาศมันจะบีบหายใจไม่ออกแต่ในตั๊ซีนอุกัสซีสเนี่ยไม่ได้อธิบายอย่างนี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์แบบนี้เขาก็อธิบายว่าไอการขึ้นไปบนที่สูงเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัด เป็นกังวลเขาบอกเนี่ยคำว่าอึดอัดตัวนี้หมายถึงเป็นกังวลมันจะตกลงมาไหม <c oughs> เออกังวลเนี่ยพอขึ้นไปยิ่งสูงไปไงยิ่งกังวลถูกปะ่ะแต่คําว่าอึดอาจจะแปลงไงให้มันอึดมันจะรู้สึกงไงอึดอัดแต่ยิ่งปัจจุบันนี้รู้เลยว่าความอึดอัดตัวนี้หมายถึงแรงกดอากาศด้วยมันจะบีบไปหมดเลยหายใจไม่ออกนะคํา <c oughs> คว่าดอยีกอตัวนี้แปลว่าแคบครับแคบ หัวอกเขาจะขับแคบไม่ยอมรับทางน้ำที่ถูกต้องไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการศรัทธาและไม่ดำเนินทางไปในทางที่ดีมันมีต้นอยู่ต้นหนึ่งเขาเรียกต้นฮาร์ฮารอาเนี่ยท่านอุมัตนะเคยถามชาวชนบทเผามุดมุดละลัชถามว่าไอ้คำว่าอัลฮารอดาเนี่ยที่พุทธเจ่าเล่นแพูดคำคำเนี้ยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าฮาร์อดาเนี่ยเป็นชื่อต้นไม้ต้นหนึ่ง เป็นต้นไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในดงป่าทึบโดยไม่มีต้นไม้โดยที่มีต้นไม้่อื่นล้อมรอบไปหมดไม่มีใครสามารถจะเข้าไปถึงต้นไม้ต้นนี้ได้เพราะมันจะถูกล้อมรอบไปด้วยกับต้นอื่นๆหมดเลยแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปหาต้นไม้ต้นนี้ได้หรือแม้แต่สัตว์เองก็เข้าไปถึงไม่ถึงสัตว์เองก็เข้าไปไม่ได้คนก็เข้าไม่ได้ ท่านอุมท่านอุมาทก็เลยบอกว่าเช่นเดียวกับหัวใจของพวกมุนาฟิกเลยซึ่งพยายามจะเอาอิสลามเข้าไปเท่าไหร่มันก็เข้าไปไม่ได้มันถูกล้อมเอาไว้แล้วเห็นไหมเอ่ยนี่พูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งด้วยอัลลอฮ์บอกต่อกะดะลิกะจัจจ์ลลอฮูรรจซาสัลลัลลัฎีน่าลายุมินูนในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโสมมเก่บบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา ก็ดูสิวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่ไม่มีอิสลามกับคนมีอิสลามเนี่ยนะยิ่งดูตอนนี้นะยิ่งเละเทอะไปหมดเนื้อตัวเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้ไม่รู้นะเขาบอกว่าันที่นะแต่ฉันรู้สึกมันเลอะอะไรอย่างมรูดสีเต็มตัวไปหมดเลยร ะ, ะเบิดนู่นระเบิดนี่ไอเอาไอเล็กมาใส่นั่นไอนั่นทําไอนี่ฉันบอกเออคนดีๆนะไปทําอะไรทําอยู่กระมาลายนะโตเป็นมาลายเต็มตัวไปหมด <laughs> เออ เนี่ยดูดูแล้วมันรู้สึกว่ามันจะดูดูเปื้อนนะ่ะดูเปื้อนไม่ได้ดูสะอาดนะดูเปื้อนดูสกรปรกแต่เขาบอกเป็นศิลปะเขาว่ากันนะออแต่ิสลามห้ามไนงะผิวดีๆไปเอาอะไรไปใส่อ้าวนี่ก็คือคนที่ไม่ได้มีสลามก็จะอีกแบบนึง <c oughs> <c oughs> อายะที่ร้ยบหกยี่บเจ็ ว ر َ ا ط ُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ل ِ t َ و ْ م o يَذَّكَّرُونَ ลาห์มดารุสซาลามีอินดารับบิห์มลาห ن มดารุสซาลามีอินดารับบิห์มวะฮุมบิมาคนูยมลู ฮาดะวะฮาดะและนี่แหละก็คือทางแห่งพระผู้พิบาลของเจ้าที่เที่ยงตรงซีรอมุสตากิมนะทางที่เที่ยงตรงในในะสะพานอัสซิรอตที่เราข้ามมา น, นะครับอ่อาอในนบีบอกว่ามันจะมี พวกที่คอยดึงให้ตกอ่าแล้วก็ไปลายสะพานก็จะมีคนเรียกให้มาไปลายสะพานเนี่ยมีคนเรียกให้ไปแต่ระหว่างทางนี่คนก็จะกวักมือเหมือนกันให้ออก <c oughs> นึกสภาพนะทุกวนันนียเรากําลังมีสลามและอิสลามคือนู่นไปสะพา น, นทางที่เราจะกลับไปหาที่ถูกต้องแต่บางวันมันก็มีบางคนมาชวนเราเหมือนกันเฮ้ย แวะนี่เหนือดีแวะทางนี้หน่อยต้องใจแข็งนะพี่น้องอย่าแวะบ <c oughs> ่อยนะอออย่าแวะต้องพยายามเฮ้ยไม่เอาไม่เอาฉันไปทางนี้ห้ามแวะน ะ, ะเพราะว่าระหว่างทางเดี๋ยวมันก็จะมีคนพยายามดึงเราให้ออกจากทางนี้ยันวันเกียมร์ยันวันที่เราตายนั่นแหละอ่าศัตรูตัวเนี้ยทั้งเชยตอนที่เป็นมนุษย์และก็เชยตอนที่เป็นเชยจากยินแล้วก็คําที่บอกว่า <c oughs> <c oughs> ทางน้ำตรงนี้ก็หมายถึงอิสลามก็คือความรู้ในเรื่องศาสนาศา ส, สนาบัญญัติ น, นะก็เดฟัสซอนนั้นอายะติลีกัมียะตะการุณอัลลอฮ์ได้แจกแจงหลายอายะต่างๆเอาไว้หมดแล้วสําหรับคนที่ลานึกนึกถึงคนที่ร <c oughs> ะลึกถึงต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าละหุมดารุสสลามดารุสสลาม เดาเคยได้ยินไหมดารุสสลามนะอยู่ตรงบายันบ้า <laughs> อันนันอันนั้นสุราอันนั้นมาซีดดารุสสลามอ่าบูไนดารุสสลามอันนี้อยู่ในกุรฎานเลยนะลาหุ่มดารุสสลามดารุสสลามตรงนี้หมายถึงอะไรสําหรับพวกเขานั้นคือบ้านแห่งความสันตินะพระผู้อวยพรของเขาเครืออะไรเนี่ยดารุสสลามหมายถึง หมายถึงอะไรดารุสสาลามบ้านความสีกก็คือพวกเขาจะได้รับความสันติสุขณนะสถานที่นั้นนั่นก็คือสวรรค์ของลอสุบฮานาหัวตาลาดารุสสลามนะเออก็คือสวรรค์นั่นเองชื่อสวรรค์เพราะว่าในนั้นเนี่ยจะไม่มีเรื่อ ง, องยุ่งเหยิงอะไรไม่มีเรื่องยุ่งในสวรรค์ไม่มีขับทาย มีคนถามท่านรลวงสนว่ากินไปแล้วเนี่ยเพราะว่าของกินมันเยอะในสวรรค์นะเนอะแล้วไม่ขับถ่ายแย่เลยเหรอแหมกินบางคนเรากินเยอะต้องขายเยอะแล้วบีบอกไม่มีถ่ายแนย่แล้วมันออกมายังไงออกมาทางเหงือ่อเป็นน้ําหอมเอออันนี้ไม่ได้นอะของเราต้องถ่าย <laughs> <laughs> เพราะเรื่องขับถ่ายมันของปฏิกลในสวรรค์ไม่มีของปฏิกลไม่มีของเมาส์เสียไม่มีของเหม็นและไม่มีเรื่องยุ่งเหยิงไม่ต้องกลัวว่าจะทะเลาะกันไม่มีไม่มีเรื่องทะเลาะ จะมีฮูรุนอินจะมีภรรยาแล้วก็มีฮูรุนอินมาอีเพียบก็ไม่ทะเลาะกันไม่นั่งปวดหัวอา่ามีแต่เขาเอาใจเรามาเราไม่ต้องเอาใจเลยเขาเอาใจเราหมดนะเพราะเป็นที่ที่มีแต่ความสุขสันติสุขสันติความปลอดภัยเราหุ้มดารุสแสลามอินดารอบีหิมซึ่งไอสถานที่นี้คืออยู่ที่อัลลอฮ์นะอยู่ณที่อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่ในกอในขอ ก็จะให้เอาลอปเป็นผู้ให้ <c oughs> ดังนั้นทําให้ให้ใครพอใจให้เอาลอปพอใจมันต้องทําให้มนุษย์พอใจเพราะมนุษย์ให้สวรรค์ไม่ได้นะเอาต่อมาว่าห ah uh um ัววะลี่อยู่หุ้มแ้ลพระองค์ก็คือเป็นผู้ที่คุ้มครองพวกเขาบีมาการูยามารูจากสิ่งที่เขาได้กระทําเอาไว้ก็คือหมายถึงอะไรหมายถึงผลงานในวันกิยามะไอ้ผลงานในโลกดุนยาอัลลอฮ์จะคุ้มครองจากไฟนรก ไอ้คนที่ไปยืนถูกสอบสวนกันได้รับความยากลําลบากเอาล้อคุ้มครองหมดแล้วแต่ที่เอาล้อคุ้มครองจากผลงานที่เราทำเอาไว้ในโลกดุรยานี้เอาล้อจะคุ้มครองพยานอันตรายในวันกียามา ท, ทั้งหมดที่เราอ่านเนอะเหงื่อท่วมนูน่นท่วมนี่มีนั่ น, นมีเนี่ถ้าเราทําความดีไม่ต้องห่วงเลยเอาล้อจะคุ้มครองอายะที่ 128. าาาาร้อยยี่สิบแปดวัน و يا معاشر الجن ك أ س ت ك ثر تمين الإنس. وقال أ ب ب و ل ي ا ؤ ه م من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض و َ ب َ ل غ ن ا أجلنا الذي أجل تلنا ก้อนน้ำรู้มาสวัสดิ์ِุมข้าลีด ا นِ ل َّ ا م อ ا ลَ ا มَา ل ل َّ ه ฮ อล่ะมาดูต่อนะเมื่อกี้อลอ์บอกแล้วเนาะทางที่เที่ยงตรงก็คือทางอิสลามมีทางเดียวก็คือศาสนาอิสลามและ ก, การยึดถือปฏิบัติทั้งหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติทั้งหมดเลย และเราก็จะได้ไปอยู่ในดารุสาลามดารุสาลามตรงนี้ก็คือหมายถึงสวงสวรรค์และก็อยู่ในการคุ้มครองเจ้าลอ Allah, ด้วยกับผลงานที่เราได้ทำมาไว้อายะห์ที่128อลัลลอฮ์บอกว่าในวันที่พระองค์เนี่ยจะทรงชุมนุมมะชัดทุ่งมะชัดชุมนุมพวกเขาเอาไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่เกิดยังกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายที่ตายตัววันนี้นะ ถ้าไม่มีคนตายเนี่ยล้นโลกไปแล้วมันมีคนตายเเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้ก็ตายฝังกันใช่ไหมแต่วันกิยามัติที่ตายทั้งหมดตั้งแต่คนแรกสมัยนบีอาดมตัวนบีอาดำด้วยโยนจนกระทั่งคนสุดท้ายไม่รู้คนเมื่อไหร่เอาเราจะเอามารวมทั้งหมดเลยยังมียังมีสัตว์อีกนะกนไม่รู้กี่ล้านคนกี่ล<ๆ>้านคนแล้วสัตว์อีกใช่ไหมแต่สัตว์นี่มาแป๊บเดียวเรารอให้กลายเป็นดินไปอ่า คราวนี้เอาลอ์มารวมหมดเลยเจมีอาทั้งหมดไม่มีใครรอดพ้นไปได้ทั้งคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์มารวมหมดยามชาอนจินรวมถึงยินด้วยจินด้วยอัลลอฮ์ Allah ตัดขึ้นมาว่าโอ้จินทั้งหลายกอดิสตัซรตุมมินัลอินสโอ้จินทั้งหลายท้จริงพวกเจ้าเนี่ยได้กระทาแก่พวกมนุษย์มากมายอ ล่อลวงหลอกลวงนะวากอลและอาริยาอูคุมมีนัลอินสและบรรดาสหายของพวกเขาจากหมู่มนุษย์หมายถึงใครหมายถึงคนที่ไปตามพวกเชยตอนนะก็กล่าวขึ้นมาว่าโอ้พระผูะ้อภิบาลของเรารับบาัสตัมตาอ๋อบอกว่าไงโอ้พระผู้บางส่วนของพวกเราเนี่ยได้รับ ประโยชน์บางส่วนต่างคนต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันอ่พาพอเวลามันยุเนี่ยมันก็มีประโยชน์คือคืออย่างนี้นะพี่น้องอลัลลอฮ์เนี่ยให้เชยตอนหรือให้ยินบางตัวเนี่ยมีมีความมีอิทธิฤทธิพิเศษเหมือนกันอ่าไอที่เห็นไหมบางที่นะ่ะขอแล้วโดนเลขนั้นเลขนี้โอ้โหไปกัน ไปกันเพียบและในอายะกุรานหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเวลาที่มนุษย์เนี่ยยิ่งไปให้มันเนี่ยมีอานาจมันจะพองมันจะใหญ่อ่ไปยกมันมันจะใหญ่เลยเออแต่ถ้าไม่เห็นหัวมันไม่ให้ราคามันไม่มีอานาจเลยเหมือนกันสมัยก่อนบ้านไหนเลี้ยงยินเนี่ยเลี้ยงมันเท่าไหร่ยิ่งเลี้ยงมันมันยิ่งคม เดี๋ยวไอ้นั่นก็ป่วยไอ้นุ่นกับป่วยต้องทำบุญแล้วไม่ไหวต้องทําเหนียวเหลืองไก่ ย, ย่างถวายแหละมันแก้อ่งั้นแหละแต่ถ้าเกิดรุ่นลูกบอกเลิกไม่เอาชีริกไม่ยุ่งละไม่ไปทําอะไรละไม่เลี้ยงยินอะไรล้ะมันก็จะไปมันก็หายไปมันไม่มีอานาจหรอกถ้าเราไ ป, ไปยกมันมันก็เลยมีอานาจเนี่ยอเลาะบอกว่าบางส่วนมันได้ประโยชน์บางส่วนยิ่งไปเส้นมันเท่าไหร่มันยิ่งแสดงอิทธิฤทธิ์ใหญ่เลยไอที่หินเทียนเนี่ยนะอ่าล้องไม่มีใครไปเส้นมันดิ กบไปไม่มีอะไรหรอกขอความความบอรอนะแต่จริงมันคุมมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์มนุษย์นะ่ไม่ใช่คุมมันนะเราเนี่ยคุมยินไม่ได้หรอกจริงมนุษ i, ยินมันคุมมันคุมมีนบีมี น, บ, มนบีสุไลมานคนเดียวนะที่อัลลอ์ให้พิเศษวบลักนาอาเจลันและดีอัจจัะนตะลาณาพอมาถึงวันที่กำหนดเวลาของพวกเรามาถึง ตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้แปลว่าอะไรตายกำหนดของพวกเรามาถึงตามที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็คือเวลาตายยินมนุษย์ตายพร้อมกับตายไปด้วยกันก็และและนรูมัสวากุมพระองค์ตรัสว่านารกนั่นคือที่อยู่ของพวกเจ้าที่จะอยู่ในนั้นตลอดไปอิละมาชาอัลลอฮ์นอกจากสิ่งทีท่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้น พระ อ, องค์เป็นผู้พิบาลของพวกเจ้าและผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ตรงนี้นะ <c oughs> ที่บอกว่าบรรดาสหายของพวกพวก ม, มนุษย์จะได้กล่าวโอ้บรรดาโอ้พระพิบาลของเราบางส่วนของพวกเรานั้นได้ประโยชน์กับบางส่วนหมายความว่าบรรดาสหายของจินที่เป็นมนุษย์ได้กล่าวยอมรับกลอในเรื่องดังกล่าวอัลฮัสซันได้กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีประโยชน์อะไรร่วมกันนอกจากออกคําสั่ง แล้วมนุษย์ก็ทำตามจริงๆราไม่ม่หรอกมันออกคำสั่งแล้วมนุษย์ก็ทำตามมาดูเรื่องลี้รับสักนิดหนึ่งอันนี้นะเรื่องลี้รับ <c oughs> อิบนูจูร้อยรายงานบอกว่ามีชายชาวยาฮิดิยะคนหนึ่งกำลังไปนั่งพักอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งไ อ, ไอ้ยินเนี่ยมันอยู่ที่ไหนตามภูเ ข, ขานะภูเ ข, ขามี เออมันก็มีเขามีสารคดีอันหนึ่งนะเขาบอกว่ามันมีมีภูเข่าที่ซาอุดีอ่ะสตาร์รถได้เฉยรถวิ่งเองเ้าบอกเขาบอ ก, บอกมียบมีมียินอยู่หรือเปล่าเขาบอกเออแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยไปนะเขาไปทําลงใน youtube แต่ถามว่ามันมียินที่มอยู่ในตามป่าตามเขามีเขาบอกว่ายายลิยาคนเนี้ยกําลังไปนั่งพักในพื้นที่แห่งหนึ่งและเขาก็กล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่อหัวหน้าแห่งหุบเขานี้ ไปขอถ้าพูดยังไงเปภาษาละขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอความคุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาดังกล่าวนี้คือประโยชน์ร่วมกันกับเขาคือต่างคนต่างขอประโยชน์ก็ไปขอมันมันก็มันก็ให้ประโยชน์ต่างคนต่างสมยอมกันดังนั้นพวกเจ้าอย่าไปยุ่งกับมัน สมมุติเข้าไปที่นี่เขาบอกว่าโห้ยป่าป่านี้นะมันมันมีเจ้าป่าเจ้าเขาคุมต้องทองําต้องเส้นวองต้องเส้นไหวห้ามไปยุ่งเด็ดขาดนะเพราะมันจะทําให้ผู้ท่านหายนะาในวันเกียรมะส่วนประโยชน์ของผู้ยินที่ได้มนุษย์ก็คือมนุษย์ไปให้เกียรติมันพอมนุษย์ให้เกียรติมันมันก็พองเลยมันพองตามมนุษย์ให้เกียรติยิ่งมนุษย์ให้เกียรติมันยิ่งพองใหญ่อ่านะ แล้วพวกมันก็ให้การช่วยเหลือมนุษย์นะอัสซุ ด, ดีกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันตายมันก็ตายมนุษย์ก็ตายพอมาอยู่วันที่รวมชุมนุมกันลงนรกทั้งคู่เลยไม่มีใครช่วยใครอ่ะนั้นขอกล้องนะอ่าดังนั้นอันนี้นะมันมีจริงเรื่องจินเรื่องเชยตอนเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวเขามีแต่อิสลามเราไม่ให้ไปยุ่งนะครับแล้วก็เน้นเรื่อง ดูอาขอกรรล้อละหมาดนะจะเฮี้ยนขนาดไหนก็นแล้วแต่นะถ้าเราอย่ากินกรรล้อเราละหมาดนะยังไงมันก็มันก็ไม่มาพอผมลองมาแล้วนะไปเจอห้องพักที่หัดใหญ่เขาบอกห้องนี้ปิดไว้ประมาณหกเดือนแล้วยังไม่เปิดให้ใครมาอยู่เลย เป็นห้องพิเศษฉันบอกห้องพิเศษยังไงเขาบอกอ๋อห้องเนี้ยมันไม่มีคนมาสูบบุหรีกลัวอาจารย์จะเหม็นบุหรี่ดูแลไม่ใช่เหมือนเจะห้องอยู่ ม, มุมสุดเลยเหมือนมีเรื่องแน่เลยเปิดไปนี่นะกินอับปุบเลยรู้แล้วฉ ช, ชื้นแบบนี้นะมีแน่นอน <c oughs> โอเออรู้สึกแบบอึดอัดเลยอะเข้าไปปุ๊บอึดอัดเลยไม่โล่งเลยทํำยังไงละ่ะล้วก็อ่านสิอัะกุศีนั่งอ่านกุรีอ่านไปละมงละมาดคืนนั้นนอนได้ อ่าพอลงมาจากโรงแรมเขาก็มองกันหน้ากันใหญ่เลยว่าเป็นไงโดนดีไหมโอ้ไม่มีหรอกจ้ะฉันอ่านฉัอ่านคุณอ่านละหมาดขอก่อนล้ออ่านสามกุญชอ่าแล้วก็เปิดไฟนอนเรื่องของเรื่องเผื่อมันมาจะได้เห็นตัวมันเออไอ้ขอพนีมันไปเล่นกับมันเต้องขอดูอาก่อนล้อเยอะเอ่อันนี้อันนี้เราเป็นพี่น้องฟังว่ามันมีแต่ว่าเราต้องมั่นใจก่อนล้อ อย่าไปกลัวสู้มันนะขอของลออาประมาณนี้นะครับสุบฮานะก็ลอฮุมม <ai> ่าบิฮัมดิการ์ชุดอัลลอลาฮลันตอัสตัฟิกะวะตูบอัสสลามุอะลัยุมระหตุลลอฮบระคาตุ